ชายคนหนึ่งนะเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากนะเป็นเจ้าของตึกสูงเนี่ยถึงสามสามอาคารนะแต่ละตึกเนี่ยโหมันก็มูลค่าก็หลายสิบล้านนะเรียกว่าร่ำรวยมากก็อยู่อย่างสุขสบายมีรถหลายคันแต่พอข้ามคืนนะกลายเป็นคนยากจนเลยนะ เป็นผู้ประสบภัยต้องอาศัยอาหารที่คนบริจาคให้เราก็ต้องนอนเต็นนะหนาวก็หนาวเพราะไม่มีเครื่องทำความอบอุ่นเป็นพ่ออะไรนะาชายคนนี้เนี่เป็นชาวตุรกีนะแล้วก็ที่ชะตาชีวิตเนี่ยพลิกผันก็เพราะว่าเจอแผ่นดินไหวนอย่างที่เราทราบดีนะเมื่อ สอาทิตก่อนนี้มีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่ตุรกีกับซีเรียเนี่ยชายันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยพลิกผั น, เ, นเพียงแค่ช่วงเวลา17วินาทีนะวินาทีเท่านั้นนะเพราะว่าพอเกิดแผ่นดินไหวตึกทั้งหมดที่เป็นเจ้าของก็พังคือลงมากลายเป็นซากปรักหักพังตัวเองนี่เคยมี บ้านหลังใหญ่อยู่ก็พังพินาศรถยนต์ก็ไม่เหลือไอเงินที่มีในธนาคารนี้ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าซื้ออะไรก็ไม่ได้เพราะร้านค้าต่างๆนี่ก็พังพินาศหมดก็อยู่ได้เพราะอาหารเช่นข้าวขนมปังที่คนบริจาคให้ในช่วงแร้ๆกันนี้นก็มี คนหนึ่งนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะโอ้ได้เงินหลายสิบล้านเลยดีใจเลี้ยงฉลองอีกคนหนึ่งก็เพิ่งได้รับเลื่อนนะเป็นซ e o นะหรือผู้จัดการบริษัทใหญ่รอคอยการเลื่อนตำแหน่งนี้มานานแล้ว แล้วพอได้สมใจก็ดีใจคิดว่านี่ชีวิตนี่สมหวังแล้วเหมือนกับไอ้คนหนึ่งก็เหมือนกันนะมีดีใจที่ผู้หญิงที่ตัวเองรักหมาปองนี่เขาตกลงนะยินดีแต่งงานด้วยดีใจสุดๆเลยแต่พอข้ามคืนนะไอ้ความดีใจ ก, ก็กลายเป็นความ โศกสลดเสียใจเพราะว่าทุกคนที่พูดถึงเนี่ยนะก็เป็นชาวตุรกีแล้วก็เจอแผ่นดินไหวนะในเหตุการณ์เดียวกันไอ้ที่ถูกล ร, รีธิเลวันที่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีความหมายซะแล้วเพราะว่าญาติพี่น้องก็ถูกตึก สูญหายส่วนคนที่เป็นผู้จัดการบริษัทในที่ได้รับเลือกได้เลื่อนตำแหน่งใหม่บอกว่าบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้จัดการก็พังพินาศหมดแล้วไม่เหลืออีกคนที่แฟนสาวรับนะจะเป็นคู่ชีวิตด้วยก็ปรากฏว่าเสียชีวิตในแผ่น ด, ดินไหว จากโชคเนี่ยนะมันกลายเป็นเคราะห์เลยทันทีเลยนะในช่วงเวลาแค่ยี่สิบวินาทีไม่ถึงด้วยซ้ํานะหรือจากความดีใจเนี่ยสุดๆเนี่ยนะสมหวังนี่กลายเป็นความเสียใจโศกสลดอย่างรุนแรงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะในแง่หนึ่งมันก็ชวนให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นใจนะ เห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เขาประสบทุกข์ทุกข์ยิ่งกว่าเราอีกนะเพราะบางคนนี่เอาชีวิตไม่รอดหรือว่าถึงกับพิกลพิการไม่ใช่แค่เสียลูกเสียพ่อแม่เสียคนรักแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สอนเรานะบอกเราว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงเลยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ วันนี้ยังรวยอยู่เลยเนะกินอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นคนยากไร้เป็นผู้ประสบภัยไปแล้วก็ได้ชีวิตนี้มันเอาแน่น อ, อนอไม่ได้ไอ้โชคที่เราคิดว่าเนี่ยมันวิเศษสุดๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ตามมาด้วยเคราะห์ที่รุนแรงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เนี่ยก็อย่าไปาคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งอยู่กับเราจกนกระทั่งถึงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ในการที่ตันหนักนะ้าชื้นมันไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่แน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เนี่ย มันช่วยทำให้เราไม่ประมาทนะเวลามีสุขนะก็ไม่ควรจะหลงเพลินในสุขเพราะมันอาจจะกลายเป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็ได้ทรัพย์สมบัติที่เรามีมากมายวันดีคืนนีก็ จ, จะกลายเป็นศูนย์ก็ได้จริงๆหลายคนก็เจอมาแล้วนะที่เคยร่ำรวย มหาศาลเนี่ยแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เข้านี่ก็กลายเป็นคนล้มละลายไปเลยเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะเงินที่มีอยู่นี่มันลดค่าไปเลยนะเหลือแค่ครึ่งเดียวแถมหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าว่าลำบากมากวันนี้เวลามีความสุขก็อย่าไปหลงเพลินในความสุขมากอันนี้รวมไปถึงการมี สุขภาพดีพอวันดีคืนดีก็อาจจะเป็นโรคนะหลอดเลือดสมองเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นคนพิ ก, การเดี๋ยวว่าแต่วิ่งเลยเดินก็ยังไม่ได้เลยนอนติดเตียงเนี่ยพลิกพันไปเร็วมากนะที่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นวันดีคืนดีก็ เหลือตัวคนเดียวพราะที่เหลือก็ตายเพราะอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องสังวรระวังเอาไว้นะอย่าประมาทแต่ในเดียวกันก็อย่าถึงกับประสาทนะถ้าไปคิดถึงเรื่องความไม่เที่ยงมากเกินไปและคิดไม่เป็นนี่มันผวานะมันกลายเป็นประสาทได้ไม่ประมาทดีแล้วนะแต่ว่าอย่าประสาท ในเดียกันเนี่ยค่ะที่เรามีมีเงินมีกินมีใช้หรือเป็นเศรษฐีนี่ก็หรือประสบโชคประสบความสำเร็จก็ให้รู้จักเกมเนื้อเจียมตัวบ้างหอมเนื้อหอมตัวบ้างย่าหลงตัวลืมตนนั้นว่ากูแน่หรือว่ายกตนข่มท่านดูถูกคนที่มีเงินน้อยกว่าดูถูกคนที่มีสถานะต่ำกว่า เพราะใจะไปรู้นะว่ารุ่นขึ้นเร า, า จ, จะกลายเป็นคนที่ต่ำต้อยจริงกับเขาก็ได้อย่างเศรษฐีคนที่ว่านี่มันเพียงแค่ช่วงข้ามคืนนี่ก็กลายเป็นยาจกเข็นใจที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ยังร่ารวยประสบความสําเร็จมีสถานภาพดีก็อย่าไปหลงตัวลืมตนมากให้รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่า อาจจะกลายเป็นตรงข้ามก็ได้การเดียวงานขายที่ร่ารวยขณะที่ประสบความสําเร็จก็ให้รู้จักมีน้ําใจอย่าไปดูถูกอย่าไปเบียดเบียนเอาเปรียบเขาเพราะว่าถึงวันที่ใครจะรู้อาจจะถึงวันอาจจะมีวันที่เราเกิดยากไร้ถึงตอนนั้นก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ําใจความช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราไม่มีน้ําใจกับผู้คนในยามที่เราร่ํารวยมีกินมีใช้เนี่ยถึงเวลาที่เราลําบากแล้วก็อาจจะ ไม่มีใครช่วยเหลือเอื้อเฟื้อล้วก็ได้คนที่ฉลาดนี่เขาก็จะรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นไม่ดูถูกเกียดหยามเพราะอะไรละก็ไม่แน่นะวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต่าต้อยยิ่งกว่าคนที่เราเคยรังเกียจ ก, ก็ได้อาจจะเคยดูถูกคนรดดูถูกคนใช่แต่ว่ามาวันนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือของเขาต้องอาศัยข้าวปลาอาหารที่เขาบริจาคให้ก็ได้อะไรอะไรก็ไม่แน่นอน วพาะนั้นก็ต้องไม่ประมาทนะกับ <Okay. S 1> สิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่